ก็ความในคัมพี์คุธกานิกายอิติวุตกะทานสูตรนะครับในข้อ278พระองค์ตรัสว่าดูความพิสูจทั้งหลายทานสองอย่างนี้คืออ ม, มิสสถานหนึ่งธรรมทานหนึ่งดูความพิสูจทั้งหลายบรรดาทานสองอย่างนี้ธรรมทานเป็นเลิศ คือทานเนี่ยแปลว่าการให้นะการให้มี2อย่างคือให้วัตถุกับให้ธรรมะนะการให้ธรรมะนี้ถือว่าเลิศดูการพิสูจน์ทั้งหลายการแจกจ่ายสองอย่างคือการแจกจ่ายอมิตรหนึ่งการแจกจ่ายธรรมะหนึ่งแจกจ่ายวัตถุกับแจกจ่ายธรรมะนะดูการพิสูจทั้งหลายบรรดาการแจกจ่ายสองอย่างนี้การแจกจ่ายธรรมะเป็นเลิศดูการพิสูจทั้งหลาย การอนุเคราะห์สองอย่างนี้คือการอนุเคราะห์ด้วยอมิตร1การอนุเคราะห์ด้วยธรรมะ1ดูความพิสูจนทั้งหลายบรรดาการอนุเคราะห์สองอย่างนี้การอนุเคราะห์ด้วยธรรมะเป็นเลิศนะครับเพราะฉะนั้นให้ทำเป็นทานเป็นเลิศแจกจ่ายธรรมะก็เป็นเลิศอนุเคราะห์ธรรมะก็เลิศเลิศกว่าแจกจาก่ายอมิตรทั้งหลายเลิศกว่าแจกจ่ายวัตถุทั้งหลายพระองค์ตรัส เป็นคาถาประพันธ์ว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ตรัสทานใดว่ายอดยิ่งยอดเยี่ยมพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสรรเสริญการแจกจ่ายทานใดว่าอย่างยิ่งยอดเยี่ยมวินยูชนผู้มีจิตเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ผู้เป็นบุญญาเขตรู้ชัดอยู่ซึ่งทานและการแจกจ่ายนั้นๆใครเล่าจะไม่พึงบูชา คือให้ทานในการอันควรเล่ า, านะทีนี้ถ้าหากว่าใครที่รู้ชัดทานและผลของการให้ทานเนี่ยนะครับรู้จากอา น, นิสงส์ของการให้ทานเป็นต้นเนี่ยนะใครแหละจะไม่ให้ทานนะครับใครแหละจะไม่ทำกุศลมั้งประโยชน์อย่างยิ่งนั้นของผู้แสดงและผู้ฟังทั้งสองนะครับคือประโยชน์ทั้งผู้แสดงทำและ้ำมาเนี่นยนะ ผู้มีจิตเลื่อมใสในคําสอนของพระสุคตย่อมหมดจดประโยชน์อย่างยิ่งนั้นของผู้ไม่ประมาทแล้วในคําสั่งสอนของพระสุคตย่อมหมดจดนะครับที น, นี้ก็ข้อความในอัตถกาานะครับอ่านข้อความในอัตถกถาแล้วก็เห็นว่าเป็นธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสจริงๆนะครับว่าเออให้เห็นชัดเจนว่า การให้อมิตรเป็นทานนี่ก็นับว่าดีนับว่าเลิศนับว่าประเสริฐอยู่แล้วนะครับแต่ให้ทําเป็นทานนี่ก็เลิศประเสริฐ ด, ดีกว่านั้นอีกพันการให้อมิตรเป็นทานเนี่ยนะก็ไม่ใช่ว่าให้ง่ายนะเช่นพงตศัรว่าคนที่คิดจะให้กับคิดจะรบเนี่ยเสมอกันคิดจะให้ข้าวเป็นทานเนี่ยนะคิดจะให้น้ําเป็นทานคิดจะให้ ดอกไม้ของหอมเครื่องประทีพรมไฟเป็นทานเนี่ยนะแต่ผู้เด็กในหนึ่งนะเราอยู่ด้วยการเยอะๆอย่างไงนะเรามีอะไรคิดจะให้ใครบ้างนันนะคนอยู่ตระเออจะเอาอันนั้นให้คนนี้นะจะเอาอันนี้ให้คนนั้นนะหรือว่าเออเอาอะไรมาเป็นสาธารณฐานเป็นต้นเนี่ยนะถ้าคิดแบบนี้น้อยเพราะการให้ทานนี่ก็นับว่ายากแต่ว่าให้ทําเป็นทานนี่ก็ยากกว่านั้นอีกนะครับที่ว่ายากนี่เพราะว่า พระธรรมนั้นเป็นของที่ละเอียดลึกซึ้งนะครับวัตถุทั้งหลายเนี่ยก็มองเห็นเ็นกันอยู่เพราะฉะนั้นหยิบยืน่นทั้งผู้ให้ผู้รับก็ดูง่ายแต่พระธรรมนี่นะครับทั้งผู้ให้ก็เป็นนามธรรมาผู้รับถา้าไม่มีสติปัญญาเพียงพอก็ยากที่จะรับได้อัตกถาอธิบายว่าบทว่าทานนังได้แก่สิ่งที่พึงให้คำว่าทานนี้บางทีก็หมายถึงวัตถุที่จะให้นะครับหมายถึงเช่นถ้าให้ผ้า ให้อาหารให้ที่อยู่อาศัยให้ยารักษาโรคหรือว่าอาจจะให้เป็นธรรมะไปนะครับให้คำซ้อนเพราะะฉนั้นสิ่งที่พึงให้นั่นแหละเรียกว่าทานในหนึ่งนะอีกในหนึ่งก็หมายถึงเจตนาพร้อมด้วยวัตถุนี่เชื่อว่าทานครับหมายถึงเจตนาของคนให้ด้วยของที่จะพึงให้ด้วยทั้งสองอย่างนี่แหละเรียกว่าทาน เพราะฉะนั้นคําว่าทานนี้เป็นชื่อของการบริจาคทรัพย์สมบัตินะครับหมายถึงเจตนาที่บริจาคสิ่งของเหล่านั้นๆไปบทว่าอามิสทา น, นังความว่าปัจจัยสี่ชื่อว่าอามิสทานนะครับอมิตสนะนะอมิสแปลว่าเครื่องล่อหรือที่แบบมันเห็น เ, นเนกันอยู่เนี่ยนะพวกผ้าทั้งหลายแหละเนี่ยนะ เ, ออเมื่อเกี้ก็ยังเห็นท่านปิจาถวายผ้าพระคุณเจ้าเลยนะครับอแสดงว่าเจตนาที่บริจาค ก, กันนั้นแหละครับเป็นเป็นทานนะครับเป็นทาน เนี่ยนะเป็นอนมิสทานอะ น, นะเนะด้วยสา ม, มารถแห่งความเป็นของที่จะต้องให้อธิบายว่าปัจจัย4เหล่านั้นท่านเรียกว่าอมิรเพราะเป็นเครื่องจับต้องด้วยกิเลสมีตันหาเป็นต้นนนะ เ, เพราะว่ากิเลสทั้งหลายเมื่อมันจะเกิดเกิดที่ไหนก็เกิดที่จีวรทั้งหลายนั่นแหละเกิดที่อาหารทั้งหลายเกิดแต่ที่อยู่อาศาายัยเกิดในยุยารักษาโรคเพราะฉะนั้นพวกข้าวของทั้งหลายเหล่านี้ท่านเรียกว่าอมิร เพราะกิเลสตันหาจับต้องแถวนี้แหละเพราะฉะนั้นให้อามิตเนี่ยนะสิ่งที่กิเลสจับต้องเป็นธรรมดาเป็นทานอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอามิสสถานอย่างนี้ในหนึ่งนะอีกอย่างหนึ่งก็บอกว่าเจตนาเป็นเครื่องบริจาคปัจจัยสี่เหล่านั้นชื่อว่าอามิสสถานก็คือให้วัตถุทั้งหลายเนี่ยนะส่วนคําว่าธรมาธรมทานธรรมทานให้ธรรมะเป็นทานเนี่ยนะความว่าบุคคลบางคนในพราสนานี้ เมื่อแสดงคือจำแนกกุศลกรรมบทและอกุศลกรรมบทออกไปว่าแสดงสุจริตกับทุจิริสนะแยกว่าสุจริตทางกายทางวาจ า, รรราทางใจทุจริตคือความชั่วทางกายทางวาจาและทางใจว่าธ ร, รรมะเหล่านี้เป็นกุศลธรรมะเหล่านี้เป็นอกุศลนะครับธรรมะเหล่านี้มีโทษธรรมะเหล่านี้ไม่มีโทษ ธรรมะเหล่านี้ท่านผู้รู้ตำหนิธรรมะเหล่านี้ท่านผู้รู้สรรเสริญธรรมะเหล่านี้สมาทานให้บริบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งไรประโยชน์เพื่อทุกธรรมะเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขหมายคืาว่าความชั่วทางกายนะครับเช่นฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในการมความชั่วทางวาจาคือพูดเท็จพูดคำยาพูดเพ้อเจ้อพูดส่อเสียดนะครับ ตัวความโลบความโกรธตัวความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิถิเนี่ยนะเป็นอกุศลเพราะมีโทษนะครับเป็นอกุศลด้วยเป็นธรรมะที่มีโทษด้วยเป็นธรรมที่ผู้รู้ตำหนีด้วยถ้าหากว่าสมาทานประพฤติตามนั้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อร้ายประโยชน์เพื่อความทุกข์นะครับทุกทั้งในโลกนี้ด้วยทุกทั้งในโลกหน้าด้วยแล้วก็ขวางขวางกั้นกลางกั้นความสุขที่จะพึงได้รับด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นประโยชน์ที่ควรได้ก็หมดไปนะครับไอ้โทษที่ไม่ควรจะได้รับก็ได้รับเพราะสมท า, านความชั่วทางกายทางวาจาและทางใจนั่นนะส่วนสุจริตทางกายทางวาจาและก็ทางใจนะครับโดยเฉพาะเจตนาที่เป็นเหตุงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรมนะรมเจตนาที่เว้นจากมุสาวาเจตนาที่เว้นจากพุสวาจา นะครับพูดคำหยาบคายเนี่ยนะหรือส่อเสียดให้เขาร้าวรานกันหรือเจตนาเว้นจากพูดเพ้อเจ้อไราสาระทั้งหลายหรือว่าไอตัวความไม่โลภนะครับหมายถึงการให้การบริจาคเป็นต้นหรือความไม่โกรธนะครับไม่โกรธได้แก่มีเมตตาหรือเป็นสัมมาทิฏฐิปรารับว่ากรรมนี้มีผลนะผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วมีอยู่จริง นะครับผลแห่งทานมีอยู่ผลแห่งศีลก็มีอยู่ผลแห่งการต้อนรับเชื้อเชิญนี่มีอยู่ผลแห่งการเคารพกราบไหว้บูชาผู้ที่ควรเคารพกราบไหว้เป็นต้นนี้มีอยู่นะครับพ่อแม่มีบุญคุณหมายความว่าผู้ใดประพฤติดีกับพ่อแม่ก็จะได้บุญมหาศาลถ้าประพฤติผิดนะครับทําโทษกับพ่อแม่เนี่ยนะก็บาปมหาศาลหรือว่าโลกนี้มีนะ หมายค่ะว่าสัตว์ที่ตายจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ก็มีสัตว์ตาจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นก็มีสัตว์ที่เป็นอบ ป, ปาติกะก็มีอยู่นะครับหมายคือว่านารกมีเปรตมีสวรรค์มีพรหมมีนะครับและผู้ที่ทําให้แจ้งสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดคือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี้มีผู้ที่มีความรู้เนี่ยนะครับทั้งกายสุจริตนะมีความประพฤติดีเนี่ยนะทั้งทางกายทางวาจาและทางใจเนี่ยนะครับ เป็นไปกับสัมมาทิ่ิอย่างนี้ไม่มีโทษนะครับเหล่านี้เนี่ยเป็นกุศลเป็นธรรมะที่ไม่มีโทษท่านผู้รู้ก็สรรเสริญนะครับถ้าหากว่าผู้ใดสมทานทำให้บริบูรณ์ในธรรมะเหล่านี้เนี่ยนะครับก็ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขสิ้นกาลนานนะครับพระอานนทายอดธม ปกติคําว่าสมาทานเนี่ยเราจะได้ยินเอามาใช้กับการสมาทานศีลนะฮะเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็ในที่นี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าสมาทานกรรมดีกรรมชั่วไปอย่างนี้ไหมครับอาจารย์ช่วยช่วยทำ ส, สมาสมาทานนี่นก็ถือเอาไปประพฤตินะครับถือเอาไปประพฤติครั บ, รบถือเอาไปประพฤตินะครับเช่นถือเอาไปประพฤติด้วยความชั่วทางกายทางวาจาและทางใจถือเอาไปประพฤติความดีทางกายทางวาจาและทางใจ เพราะฉะนั้น เ, เน้นพฤติกรรมความประพฤติเหล่านั้นๆนะครับในที่นี้นะเช่นคนที่มีพฤติกรรมสมาทานหรือว่าตั้งตัวหรือว่าความประพฤติเป็นไปในความชั่วทางกายวาจาใจนี่นะครับก็คือไร้ศีลไร้ธรรมขาดศีลสมาธิปัญญานะอันนี้เรียกว่าสมาทานกรรมชั่วนะครับก็คือคนที่ถือเอากรรมชั่วไปปฏิบัตินั่นเองนะครับก็ด้วยด้วยอํานาจของมิจฉาทิฏฐิในเบื้องต้นนะครับ เพราะฉะนั้นไอสิ่งที่เห็นง่ายๆหยายบๆเลยนะถ้าฝ่ายอากุศลกรรมบทฆ่าสัตว์นี่ยหยาบมากนะครับพอธรรมดาทั่วๆไปใครก็ไม่ชอบใช่ไหมจะยิ่งจะมาฆ่าเราด้วยเรายิ่งไม่ชอบยายเลยนะครับอันนี่เราห่วงแหนที่สุดชั้นแรกเลยนะคือชีวิตของเราอย่างที่สองที่ห่วงรองลงไปก็คือทรัพย์สินของเรานะครับห่วงลงไปกว่านั้นอีกก็เช่นครอบครัวของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นบุตรว่าเป็นพันยาของเราเป็นต้นเนี่ยนะครับ หรือว่าเราก็อยากรักความจริงนะครับเราก็ไม่อยากให้ใครมาพูดหยาบ ก, กับเราเราก็ไม่อยากให้ใครเนี่ยมาสอเสียด ก, กเรากับคนนั้นคนนี้เราก็ต้องการแต่ประโยชน์ทั้งหลายนะครับถามว่าคนที่จะมาโลภคิดแต่จะเอาของเราอย่างเดียวเนี่ยเราชอบไหมใครที่มาโกรธเราอย่างเดียวเราก็ไม่ชอบนะครับหรือว่าคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐินะมาบอกว่าเรานี่ทําบุญทําบาปไม่มีผลเป็นต้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้น ผู้ที่สมาทานประพฤติในในบาปในอกุศลทั้งหลายเหล่านี้มันจึงมีทุกมีโทษมากนะครับเป็นสิ่งที่แท้ว่าไปแล้วน่ารังเกียจมหาศาลนะครับโดยเฉพาะมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะครับเป็นตัวที่กางกัน้นไปสําคัญผิดว่าเออข้าไม่มีผลนะธาตุชํ้แรกเข้าไปในธาตุเท่านั้นแหละไม่มีบาปมีกรรมอะไรรอกสัตว์ทั้งหลายนี่เกิดมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์ทั้งหลายกว่าไปนะพวกเหล่านี้เป็นทิฏฐินะครับหรือว่าถืออธินนาทานไม่บาปอะไรร้อกมีโอกาสเอาไปเลยอย่างนี้นะ หรือว่าตามเมสุมิชชร่์ผิดลูกเมียใครเนี่ยนะถ้าเขายินยอมไม่เป็นไรนะไม่ไม่บาปอย่าง้นนะโกหกถ้าเขาจับไม่ได้ก็ดีอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าด้วยอำนาจมิชาทัทิฏฐิส่งเสริมสนับสนุนให้ก่อกรรมทำชั่วก่อกรรมชั่วทางกายทางวาจาและทางใจเนี่ยนะครับเพนโทษของมิชชาทิฏฐินี้ ร้ายแรงมหาศาลผู้ที่มีความเห็นแบบนี้เนี่ยนะครับก็จะสมาทานประพฤติทําตัวแบบนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยนี่เขาเรียกว่าสมาทานอาบาปัปสมาทานอากุศลมิชชาทิธีนี้นับว่ามีโทษมหาศาลแต่ถ้าหากว่าเป็นผู้ที่เป็นสัมมาทิฏฐินะครับมีความเข้าใจอย่างถูกต้องว่าเออชีวิตของใครใครก็หวงแหนนะเพราะฉะนั้นเราอย่าเบียดเบียนชีวิตเขาเลยนะครับเนี่ยนะแล้วก็เออทรัพย์ ส, สินของใครใครก็ยินดีใครก็ต้องการนะ มันอย่าเบียดเบียนทรัพย์ของเขาเลยครอบครัวใครๆก็หวงแหนใครก็รักษาอย่าไปล่วงละเมิดของเขาเลยใครก็อยากได้คําสัตย์คําจริงเป็นต้นเนี่ยนะแล้วการงดเว้นแบบนี้มีผลด้วยมีผลทั้งในโลกนี้มีผลทั้งในโลกหน้าเป็นต้นเนี่ยนะครับ เ, เมื่อเป็นสัมมาทิฏฐิอย่างนี้เข้าก็จะสมาทานหมายว่าไอความเห็นอันนี้เป็นการสมาทานแล้วเขาก็จะมีกายกรรมพฤติกรรมมนโนกรรมเป็นต้นวจีกรรมเนี่ยเป็นไปตามอํานาจของสัมมาทิฏฐินะครับ อย่างนี้เรียกว่าสมาทานในการประพฤติกุศลแลธรรมแล้วสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรกันทำไมแต่คนจึงไม่เหมือนกันบางคนจึงเป็นสัมมาทิฏฐิบางคนจึงเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ต้ <S 1> <S 1> องดูเหตุภายในและเหตุภายนอกเหตุภายในก็คืออโยนิโสมนสิการเหตุภายนอกก็คือมิตรทั้งหลายนะครับ à, ในขณะเดียวกันนะเราเอาเฉพาะคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมาว่าก่อน คนที่เป็นมิจฉาทิถีเลยนี่นะครับเหตุภายนอกที่สําคัญที่สุดคือการเกี่ยวข้องอย่างเช่นผู้ที่เป็นมิจฉาทิถีนี่นะครับต้องรู้ว่ามิจฉาทิถีเนี่ยเกิดประเทศไหนสังคมสิ่งแวดล้อมของเขาเป็นอย่างไรนะครับอันนั้นนะครับเป็นเหตุที่สําคัญภายนอกที่สุดคือมิตรที่เขาเกี่ยวข้องเขาคบใครนะครับอันนี้เป็นลักษณะของมิจฉาทิถีสมมติถ้ามิจฉาทิถีเนี่ยนะครับคบคนมิจฉาทิถีระดับลูกศิษย์มิจฉาทิถีก็อ่อนกำลังหน่อย ถ Campus, cat, pues ้าหากว่าคบคนมิจฉาทิฏฐิประเภทประดับประมาจา์นะครับในสายนั้นก็จะมิจฉาทิฏฐิลึกหน่อยนะครับหรือสายสัมมาทิฏฐิก็เหมือนกันนะครับเข้ามาคบกับผ้าหนุ่มเน่งน้อยไม่ค่อยรู้ภาษีภาษาอะไรเนี่ยนะครับมันก็สัมมาทิฏฐิน้อยหน่อยถ้าหากว่าสัมมาทิฏฐิคบแบบผู้ที่มีความรู้ความแตกฉานอย่างเช่นคบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะสัมมาทิฏฐิก็มั่นคงอันนี้คือเหตุภายนอกนะครับเหตุภายนอกนั้นก็คือสังคมสิ่งแวดล้อม จะพูดในหนึ่งก็คือคนที่เราเกี่ยวข้องนั่นแหละนั่นแหละครับเป็นปัจจัยภายนอกส่วนปัจจัยภายในก็คือความนึกคิดของเราเองซึ่งความนึกคิดเหล่านี้ก็เกิดจากการสะสมเรื่องราวมาต่างๆเป็นอุปนิสัยให้นะครับถ้าสะสมมาในแง่ดีมากก็พร้อมที่จะเป็นอุปเป็นอุปนิสัยให้แก่สัมมาทิฏฐิถ้าไปสะสมในแง่ไม่ดีมากนะครับเช่นเป็นคนมักโกรธนานๆเข้าก็จะเป็นอุปนิสัยให้มิจฉาทิฏฐิเกิดได้คนมักโลภนะครับมักจะเอาอย่างเดียวเนี่ยนะ นานๆเข้าก็จะเป็นมิจฉาทิฏฐิได้ไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยมีทั้งภายในและภายนอกส่วนปัจจัยถ้าบอกพูดแบบรวมๆนะปัจจัยของมิจฉาทิฏฐิหรือฐานะแห่งมิจฉาทิฏฐิก็คือไอความที่เป็นมิจฉาทิฐินั่นแหละครับที่เขาเคยสะสมมาเนี่ยอย่างหนึ่งหรือว่าวิตกทั้งหลายนี่นะครับการตรึกที่ไม่ได้เป็นไปตามครองธรรมนะครับ กามาวิตกเป็นต้นเนี่ยนะครับก็เป็นเหตุแห่งมิจฉาทิฏฐิเหมือนกันนะครับเพราะนนั้ในสัมมาทิฏฐินั้นก็แล้วแต่ว่าโยนิโสไหมถ้าโยนิโสก็ต้องมีอาหารอีกนะครับอายโยนิโสก็มีอาหารนะครับถ้าหากว่าจะเป็นสัมมาทิฐิเนี่ยนะครับก็เนื่องจากว่ามีโยนิโสมนัิการมาเป็นอย่างดีทีนี้โยนิโสมนัิการนี้ก็มาจากการฟังสัตยธรรมเป็นต้นที่บริบูรณ์การฟังสัตยธรรมเป็นต้นก็การคบมิตรอีกนั่นแหละครับ ถ้าหาว่ามิจฉาทิฏฐิก็มาจากอโยนิโสมนัสิการอโยนิโสมนสิการก็เกิดจากการไม่ฟังธรรมการไม่ฟังธรรมก็เพราะไม่ครบคนดีอีกนั่นแหละเพราะครบคนชั่วนั่นแหละครับจึงไม่ฟังธรรมเมื่อครบคนชั่วเลยไม่ได้ฟังธรรมเมื่อไม่ฟังก็ไม่สามารถจะทรงจําไว้ได้ก็เลยไม่มีศรัทธาเมื่อไม่มีศรัทธาอโยนิโสมนัสิการก็มากเมื่ออโยนิโสมนสิการมากนะครับสติสัมปชัญญะก็ไม่เกิดไม่รู้อะไรดีไรชั่ว ก็คือไม่มีสัมมาทิฏฐินั่นเองเมื่อไม่มีสัมมาทิฏฐินะครับที่จะสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นต้นก็ไม่มีเมื่อไม่สํารวมความชั่วที่จะบังเกิดขึ้นทางกายก็จะเจริญความชั่วที่จะบังเกิดทางวาจาก็จะพอกผุนมากขึ้นคิดชั่วทางใจก็จะมากขึ้นนิวรทั้งหลายก็จะกลุ่มรุมนะครับอวิชาก็ปกปิดเมื่อวิชาปกปิดแล้วก็ทะเยอทายานฝักฝายในภพทั้งหลายนะครับ ก็ปาถนาก็ออกเวียนนั่นแหละครับจากพบสู่พบจากพบสู่พบจากกําเนิดสู่คติจากคติสู่อ่ากำเนิดนะครับจากกําเนิดอย่างเงี้ยหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปนะครับวัตทุกก็จะเป็นไปด้วยอาการอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นมิตรทั้งหลายเนี่ยนับว่าสําคัญมากนะครับแม้แต่ว่าพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกก็เกิดมาเพื่อเป็นกัญญาณมิตรของของสัตว์ทั้งหลายนะครับผมฟังดูแล้วก็พบว่าต้นตอ แรกๆที่สุ่นมันน่าจะเป็นปาปามิตรนี่แหละครับคือคบเพื่อนพบคบคนไม่ดีนะครับครั บ, รบเพราะว่าถ้าคบคนดีนี่ก็เป็นเหตุให้เกิดโยนิโสใช่ไหมครับได้ฟังธรรมก็เกิดโยนิโสคือแล้วแต่เราเราจะมองเหตุภายในหรือภายนอกนะครับถ้ามองไปที่เหตุภายนอกก็คือมิตรนั่นแหละแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับมิตรเนี่ยสาคัญจริงๆนะครับพระองค์ตรัสว่ามิตรนี้เป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์นะครับ มิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดปาปมิตรก็เป็นทั้งหมดของบาปทั้งหลายที่จะพึงมีขึ้นนะครับบาปทุกชนิดก็มีปาปะมิตรนั่นแหละเป็นเครื่องหมายนะครับแต่ทีนี้ในเบื้องต้นเลยเนี่ยนะครับใครจะรู้ว่ามิตรดีมิตรชั่วครับใครให้ใครมีอุปการะต่อเราเราก็คิดว่าเขาคนนั้นเป็นมิตรเป็นกาลยานมิตรเป็นบัณฑิตที่เราต้องคบหาสมาคมโดยทั่วทั่วไปเนี่ยเราก็จะคิดแบบนี้นะครับ ใครที่ช่วยปัจจัยสี่เรานะครับใครที่ช่วยให้เรามีปัจจัยสีมีเข้าของเครื่องใช้นัะนนะโดยมากเราจะคิดว่าเออเขาเหล่านั้นเป็นกาลยาณมิตรของเรานี่คือปกติของเรานะครับใครที่ช่วยเหลือเรื่องเกื้อกูลเรานะนให้ผ้าเราให้ข้าวให้น้ําให้ดอกไม้ของหอมสนับสนุนส่งเสริมเรานะส่งเสริมกิเลสก็ช่างค่ะเขาบอกว่านั่นคือมิตรของเราเพราะเราแยกไม่ออกว่าความเป็นมิตรเนี่ยวัดกันที่ไหน นะครับนั้นกาลยานามิตรนี้ก็วัดที่คุณธรรมรคือผู้ที่ประกอบไปด้วยศีลฮิริโอตปะนะครับหรือว่าพวกศีลพวกฮิริโอตปะหรือว่าพวกคุณธรรมด้านเนินๆอีกนะครับเช่นศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญานะครับสิ่งเหล่านั้นเป็นคุณธรรมของกาลยานามิตรแต่ทีนี้ก็แยกไม่ออกนะครับว่าศีลเ น, นี่ยมันเป็นยังไงเนื่องจากไม่ให้เรียนเรื่องศีลมาเป็นอย่างดี นี่นะครับสิริโอตะ ป, ปะเป็นยังไงก็ไม่ได้เรียนมาเป็นอย่างนี้จาคะเป็นยังไงก็ไม่รู้ว่าเพราะไม่ได้เรียนมาแม้กระทั่งศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิและปัญญานี่นะครับถ้าไม่รอบรู้ไม่เรียนรู้ไม่ศึกษาให้เพียงพอว่าคุณธรรมเหล่านี้นะมีอยู่ในบุคคลใดเราก็จะแยกไม่ออกว่าใครเป็นมิตรและปาปะมิตรนะครับมิตรแท้หรือมิตรเทียมก็แยกไม่ออกอ ถ้าจะกล่าวไปแล้วนะครับมันก็ขาดคุณธรรมประเภทมงคลข้อต้นๆ น, นะในบรรดามงคลสามสิแปดนะข้อหนึ่งกับข้อสองนะครับคือเนื่องจากตัวเองเนี่ยไปคบคนพาลแล้วก็ไม่ได้ครอบบัณฑิตทีนี้พาลกับบัณฑิตมีอะไรเป็นนิมิตมีอะไรเป็นเครื่องหมายมีอะไรเป็นรับประธานนะครับภาลรับประานนะครับหมายว่ามีอะไรเป็นที่ห้อมีอะไรเป็นตรานะครับมีอะไรเป็นธงว่างั้นเถอะให้รู้ว่าเออนิมิตไหนนี้พาล น, นะนี้บัณฑิตนะ วันนั้นก็อาจารย์มาโมดอนุเคราะห์หน่อยนะครับว่าเอ๊ะยี่ห้อนิมิตเครื่องหมายของคนพานกะ็เป็นบัณฑิตเนี่ยเอาอะไรมาเป็นยี่ห้อต้องกากระบาด ท, ที่หน้าผากด้วยหรือเปล่านะครับว่าเออฉันพานนะหรือฉันเป็นบัณฑิตนะครับก็มีอยู่ในสูตรสูตรหนึ่งนะที่บอกว่าถ้าหากว่าคนเราไม่กระทําชั่วทางกายทางวาจาทางใจองตัดว่า บัณฑิตทั้งหลายจะรู้ได้ยังไงว่าเขาคือคนคนคนผานถ้าหากว่าเมื่อบุคคลกระทาความดีหรือเรียกว่าสุจริตทางกายทางวาจาทางใจถ้าหากว่าเขาไม่ทําสุจริตทางกายทางวาใจทางใจบัณฑิตทั้งหลายจะรู้ได้ยังไงว่าเขาคือบัณฑิตครับเพราะฉะนั้นภาลปาทานนะครับภาลลักษณะหรือว่าภาลนิมิตนะครับคือนิมิตเครื่องหมายยี่ห้อตราทั้งหลายเนี่ยนะครับ ก็ดูได้ที่พฤติกรรมอย่างหนึ่งดูได้จากคําพูดนี่อย่างหนึ่งดูได้จากแนวความคิดเนี่ยอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นดูได้ทางกายวาจาและใจทีนี้กายกรรมที่ชั่วเนี่ยนะขอบเขตแค่ไหนถ้าเป็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าของเรานะจะพูดง่ายๆก็คือผิดวินัยทางกายบ่อยๆอย่างนี้เขาเรียกว่าชั่วทางกายนะถ้าผิดพระวินัยทางวาจาเรียกว่าชั่วทางวาจานะครับถ้าผิดวินัยทั้งทางกายและวาจาเขาเรียกว่าชั่วทางใจว่างั้นนะ ถ้าเป็นค า, ารวะก็คือลักษณะที่ว่ามักาสัตว์ลักทรัพย์แล้วก็ประพฤติผิดกาเมทั้งหลายติดยาเสพติดนะนะ mm hmm. พวกนี้เรียกว่าชั่วทางกายนะครับคําพูดก็โอ้ยวันหนึ่งในโกหกมีเรื่องจริงเป็นต้นเนี่ยนะ mm hmm. พูดคํำยาพูดสอเสียดนินทาว่าร้ายคนอื่นพูดเพ้อเจ้อเดราชานกาถาทางวันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะพวกอะไรไมร่รวดหลุดออก จ, จากปากนะครับพวกงูเงี้ยวเขียวเสือหลุดมาจากปากเยอะแยะไปหมดนะครับ เสือสิงห์ก็ทิงแรกแม้กระทั่งตัวเงินตัวทองก็หลุดออกมาจากปากทั้งวันทั้งวี่เนี่ยนะแสดงว่าอันนี้ก็คือ น, นิมิตยี่ห้อเครื่องหมายของคนพาลเต็มตัวนะครับหรือแม้กระทั่งจิตใจก็คี้แต่จะเอาอย่างเดียวเนี่ยนะครับไม่มีใครดีเลยสักคนนะครับมีแต่บน่นมีแต่ดา่ามีแต่ว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะตัวเองทําอะไรไม่เป็นบาปเป็นกรรมสักอย่างนะลักษณะนั้นนะครับเป็นยี่ห้อเป็นเครื่องหมายเป็นนิมิตหมายของคนพาลทั้งหลายนะครับ เออถ้าหาว่านิมิตเครื่องหมายของคนผ่านคือกายวาจาใจอย่างงี้เนี่ยผมก็มานั่งคิดถึงเรื่องของครูทั้ง6กเขาก็สอนอะไรผิดๆนะครั บ, รบเขาก็ตั้งตนเป็นอาจารย์เป็นศาสดานะสอนลทัทธิผิดๆที่เป็นมิจฉาทิฐิมากมายแต่ลูกศิษย์เต็มบ้านเต็มเมืองเลยนะครับแล้วตกลงมันยังไงกันแน่ล่ะก็ในเมื่อสอนอะไรผิดๆอย่างเงี้ยแสดงว่าผู้รับนะ่ะขาด ขาดอะไรยังไงก็ผ huh. <c oughs> <c oughs> ู้รับก็ขาดความรู้ในเรื่องว่าใครเป็นกัลยาณมิตรเป็นต้นแต่เชื่อไหมเขาก็ออกหนังสือกัลยาณมิตรนะครับทีนี้ตรงนี้ก็ก็สุดแท้นะครับว่าสัตว์ทั้งโลกเนี่ยนะเป็นไปตามธาตุจริงจริงนะครับมันก็เหมือนกับน้ําเนี่ยนะมันจะไหลไหลไปรวมกันในที่ลุ่มเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายก็จะรวมกันด้วยธาตุเหมือนกันเถอะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า ถึงคุณธรรมเป็นพานเป็นต้นเนี่ยนะถ้าธาตุเดียวกันมันก็จะไปเดียวกันนะครับเ mm hmm. ช่นนะพวกธาตุชอบเล่นมวยพวกมวยก็ไปหามวยด้วยกันนะครับพวกธาตุชอบประกวดนางงามก็จะไปหารวมเรื่องนางงามด้วยกันนะครับมันเป็นไปตามธาตุนะครับเมื่ออันนี้แหละเป็นเครื่องกําหนดนะครับเรียกว่าอาสัยะนะ mm hmm. แต่ทีนี้ในขณะเดียวกันคนที่ฝักใฝ่ในเรื่องดีเนี่ยนะครับ ก็ต้องมาแยกว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรมีคุณมีโทษอะไรมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์แม้กระทั่งในการครบคนนี่ก็ต้องเลือกนะครับถ้าคบคนพานแล้วมีโทษอะไรบ้างนะครับก็หาปัจจัยให้สามมาที่ทีนี่เกิดให้มากรู้ดีรู้ชั่วนะครับมองชีวิตก็อย่าได้มองแค่อาหารมื้อเที่ยงอย่างเดียวนะครับไม่ควรมองอาหารมือ้อค่ําไม่ควรมองว่าปีนี้2ปีนะครับถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ตามบ้านเราเนี่ยนะ ผู้ใหญ่ที่เป็นที่ยอมรับก็คือคนที่มองการไกลได้สิบปียี่สิบปีนะครับหรือมองอะไรไปถึงลูกถึงหลานนี่ก็เรียกว่าคนมองการไกลแต่ถ้าหากว่าตามหลักคําสอนของเราไม่ได้มองแค่นั้นนะครับมองโลกนี้ด้วยมองโลกหน้าด้วยมองสังสารวัตทั้งสังสารวัตรด้วยแล้วก็มองว่าน์ทอย่างไรถึงจะทําที่สุดแห่งวัฏฏุกคด้วยเขามองชีวิตได้ยาวไกลไม่ได้มองชีวิตแค่ชาติสองชาติเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าหาว่าคิดจะแก้ไขในด้านทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะก็คือศึกษาคำสอนนะครับศึกษาเรื่องกรรมสักตาให้ดีอย่างเพียงพอจริงๆนะครับแล้วก็หาข้อมูลที่มาตรฐานแต่สำคัญที่สุดนะครับการยานามิตรนี่นับว่าสำคัญมากใครแหละจะบอกว่าฉันเป็นตาปรมิตรนะเนี่ย น, นะ เช่นถ้าผมชวนคนอื่นเขาเพิ่งเจอชั่วโมงหนึ่งนะเออขอโทษนะผมเป็นปลาประมิตรของคุณไปตั้งชั่วโมงหนึ่งนะมผมบาปไปตั้งชั่วโมงหนึ่งนะผมเป็นอาสัตบุรุษยิ่งกว่าอาสัตบุรุษผมเนี่ยชวนคุณทำเออนี่นะชวนให้คุณเป็นบาปคิดอย่างงี้ไหมครับหรือเราไปยั่วให้ใครมีโทสะเนี่ยนะครับไปพูดหมิ่นให้ใครโทรสะเกิดเนี่ยนะขอโทษเขาว่าผมเนี่ยไม่น่าให้คุณทํา ไม่น่าจะให้คุณเป็นบาปแบบนี้เลยผมขอโทษนะผมเป็นอาศาัตรูรุษยิ่งกว่าอาศาัตรูหลุษมีไหมครับวันวันึงเราได้ยินไหมอย่างที่ว่าเนี่ยหายากนะบัณฑิตทั้งนั้นนะครับค น, ะบนเทียมบัณฑิตทั้งนั้นนะครับนะบัณฑิตเทียมเทียมั้งนั้นนะโดยส่วนไปเพราะว่าชักชวนคนอื่นในการคิดชั่วคิดเป็นบาปคิดเป็นอคุศลก็ยังไม่ได้มีสามัญย่ำนึกเลยอะไรเลยนี่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่นะครับในยุคนี้ก็เหมือนเข้าเราเข้าไปในร้านพวกของเก่าทั้งหลายเนี่ยนะครับ เนี่ยนะมันชั้นต้นก็ต้องตาให้ถึงหน่อยนะว่าจะเลือกของแท้หรือไม่แท้เนี่ยนะครับก็ต้องตาถึงหน่อยพอทําไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับมันก็มีแต่ของดีทั้งนั้นแหละครับพอค้าทั้งหลายเขาก็จะถ้าหากว่าเขาไม่เขาบอกว่าของเขาไม่ดีหรอกใครจะไปซื้อของเขาเขาจะบอกว่าดีหมดนะครับดีหมดมันบินบ้างไม่เป็นไรก็ออยังดีอีกนั่นแหละนะครับมันเสียหายก็ยังดีอีกนั่นแหละนะครับถ้าของเขาดีหมดนะครับถ้าเขาจะขายนะ แต่ของเขาจะขาย้ถ้าเขาจะซื้อเราไอ้นูนก็นไม่ดีอันนี้ก็ไม่ได้เรื่องอันนั้นก็จะไม่เอาอันน่้นก็ตำหนิเนี่ยลดราคาได้ไหมเขาจะพูดในลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อยู่ที่ตาของเราที่จะมองถึงไหมตาที่ว่านี่คือตาปัญญานั่นเองนะครับแต่ว่าตาปัญญาทั้งหลายก็เนื่องจากปัจจัยอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นวะตะนนี่นะครับมันจึงไม่ปลอดภัยจริงๆนะครับ